รอดของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ทางเดียวนี้เท่านั้นคือเดินไปตามทางธรรมะการช่วยให้ทุกคนได้เดินไปตามทางธรรมะย่อมเป็นอุสลอันใหญ่หลวงและสูงสุดท่านพุทธทาสพิคขุ ชีวิตเนี่ยใครก็มีได้แต่ถ้ามีชีวานี่มันต้องมีความสุขชีวิตต้องมีความสุขอย่างพวกเพื่อนร่วมทุกข์หรือญาติธรรมก็มาด้วยกันหลายแห่งหลายที่หลายอาชีพบางคนก็มีอาชีพเป็นคุณหมอคุณพยาบาลอาชีพผู้ดูแลบางคนก็อาชีพผู้ป่วยไขย้ทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะต่างกันด้วยเพศวัยหรืออาชีพหรือสถานที่ แต่เรามีสิ่งจริงหนึ่งที่เหมือนกันเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกับใครหรือด้อยกับใครรู้ไหมคืออะไรคือความเป็นธรรมดาไงความเป็นธรรมดาเนี่เท่าเทียมกันทุกๆคนจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนป่วยไข้เป็นคนพิการมีความเป็นธรรมดาเท่าเทียมกันหมดเลยใครรู้ไหมว่าความเป็นธรรมดานี่คืออะไรความเป็นธรรมดาที่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 เป็นธรรมดาใช่ไหมห้าอย่างเนี่ยทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดบางคนก็ได้ประสบแล้วบางคนกำลังประสบอยู่ทั้งผู้ผู้ทั้งผู้ฟังเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตได้พูดเรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มีอยู่ในคนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นในกายในใจเรากายกับใจเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกทุกๆุกคนเสมอกันหมดถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจจะได้ล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะพุฒิองค์ตัดได้ว่าการเกิดทุกข์คลาวเป็นทุกข์ร่าไปเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์แต่วิธีการปล่อยวางนั้นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายใจว่าเป็น เราเมื่อไหรแล้วก็แม้ว่าทุกทางกายจะหนักรุนแรงแค่ไหนก็ตามแต่ใจก็จะไม่เป็นทุกข์เลยนะวิธีการออกมีนะออกจากความทุกข์มีทั้งนั้นเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราซะทุกเวทนารุนแรงแค่ไหนใจจะไม่เป็นทุกข์เมื่อจิตไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเข้ามาแทนที่อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ ถึงเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเมื่อไหร่เราก็เราจะรู้จักยอมรับถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็คิดแก้ไขแค่เรายอมรับแค่นี้ใจก็จะผ่อนคลายแล้วนะที่เราเป็นทุกกวันเนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมรับถ้ายอมรับแล้วใจจะผ่อนคลายความทุกข์ก็จะเจือจางลงไปแต่ยอมรับอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเราต้องหาทางแก้ไขด้วยเมื่อป่วยไข้นะป่วยไข้นี่ยละ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดจากตัวเราสิ่งที่พูดวันนี้ขอให้เราดูที่ตัวเรามันมีในตัวเราทั้งนั้นทั้งความสุขทั้งความทุกข์เมื่อเราป่วยไข้เราก็ต้องทำหน้าที่รักษาต้องแก้ไขไปตามอาการเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยทั้งนั้นร่างกายนั้นเราก็ยกให้กับคุณหมอให้ช่วยเหลือเราหมอยาต้องพึ่งหมอพึ่งยาเนี่ยคือด้านร่างกายนะ เพราะคุณหมอท่านเรียนมาเยอะเรียนมามากมีประสบการณ์มีความรู้แนะนำได้ในส่วนของร่างกายแต่จิตใจนั้นเราต้องช่วยตัวเราไม่มีใครช่วยใจเราได้หรอกเราต้องช่วยใจเราต้องช่วยใจเราร่างกายก็รักษากันไปตามอาการแต่ใจเนี่ยเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกในการรักษาวางใจในผลของการรักษาเราต้องวางใจไว้เป็น ก, ากลางกาปัญหา ก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็เอาไม่หายก็เอ า, อาไม่ไถึงการรักษาหนะน้าผลคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทำอย่างนี้ต้องรักษาอย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่าเออมันต้องหา ย, ยสร้างความหวังไม่มากเกินไปแต่ถ้าไม่หายขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลย อยู่ที่การกระทำเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวได้อันเนี้ยรักษาไปเจอร่างกายแต่ก็ใจอย่าลืมรักษาใจด้วยต้องทำใจเป็นกลางกลางเข้าไว้ช่วยเหลือใจเราแต่ยังไก็ตามการจะรักษาตัวเองรักษาใจไม่เป็นทุกเนี่ยผมมีวิธีหนึ่งที่แนะนำก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่า เป็นยาที่ถูกกับโรคโรคแบบเนี้ยโรคความทุกเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเกี่ยวับเฉพาะคนงานคนหนึ่งนะพูดกับทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่โรคของความทุกขต้องรักษาด้วยยาคือธรรมะโอสถไอเนี้ยเป็นยาที่มันทันกับโรคแล้วหายขาดเลยนะธรรมะโอสถขนานเอกคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ราอย่ามองว่าจะต้องไปวัดจะต้องบวชจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปไหน โอ้ไม่ต้องหรอกอยู่ในโรงพยาบาลก็ปฏิบัติได้อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนไหนก็ทำได้การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มารู้จักตัวเราให้รู้ความจริงของตัวเราถ้ารู้ความจริงของตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกจะไม่เกิดเลยตอนนี้เราอาจจะรู้แต่แค่รู้จารู้จักรู้จักที่คนอื่นบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรใช่ไเรายังไม่เห็นแจ้งยังไม่เห็นจริง จะเห็นจริงได้นั้นจะต้องมีการฝึกตัวเราโดยการฝึกเจริญสติฝึกสติให้มาดูตัวเราดูกายดูใจของเราถ้ามีสติรู้จักตัวเราแล้วก็เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอย่างตอนเนี้ถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากําลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรากําลังนั่งรู้ไหมฮะเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้ใจไม่มีอะไรแล้วใจยังไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้ว เรากำลังรู้ตัวอยู่ว่ากําลังนั่งกําลังฟังนะแต่ถ้าใจเราคิดปรุงแต่งล้วก็เดี๋ยวทุกมาล้รู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งเนี่ยแตเริ่มต้นของการปฏิบททัติธรรมนีการเจริญสติแล้วเรายืนเราก็รู้ตัวว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเรากําลังเดินจะทาอะไรก็ตามจะดื่มน้ําทานข้าวออกกําลังกายนั่งสมาธิก็เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรม ทำได้ทุกที่เลยไหมให้มีปัจจุบันอยู่กับตัวเราเนี่ยสติเนี่ยเขาทําหน้าที่ระลึกรู้ไม่ปล่อยให้จิตใจมาเลื่อนลอยไปปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านถ้ า, าอยู่กับปัจจุบันอยู่การฟังเนี่ยคิดไม่เกินสาลาเนี่ยทุกจะไม่เกิดหรอกแต่ถ้าความคิดแลบออกไปนอกสาลาแล้วก็ไม่มั่นใจนะทุกอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าอยู่การฟังเนี่ยทุกไม่เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยียการฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ล้วก็มันจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิเราก็มันทำให้จิตใจในีผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิตดีตรงเนี้ยต้องมีสติทำให้เกิดสมาธินี่แหละสุขภาพจิตจะดี ถ้าเราตามรู้จักรู้ตัวเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจเรื่องของตัวเราเรื่องของกายเราโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรคุณหมอต้องมาถามเราแสดงว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนเรื่องของกายเนี่ยถ้ารู้บ่อยๆดูบ่อยๆเนี่ยร่างกายเขาจะบอกความจริงนะเขาจะบอกความจริงในตัวเราว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างไร เรื่องของกายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างตอนเนี้ยตอนนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างในกายเราเมื่อยไหมเมื่อยนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แล้วทุกของใครทุกของกายหรือทุกของเราอย่าที้ตูนะโอ้นี่เป็นทุกข์ของร่างกายตอนเนี้ยเรากายเป็นผู้ดูกลนะแนละ้ว เ, เปลี่ยนเป็นผู้ดูแล้วนะไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นถ้าเรารู้ตัวว่ากาลังนั่งการนั่ง เป็นเพียงสิ่งหนึ่งแต่การรู้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเห็นไหมโอ้นี่แยกรูปแยกนามนะเนี่ยธรรมะชั้นสูงแล้วนะรู้ตัวว่ากําลังนั่งอ้อนี่ทุกเนี่ทุกของกายใจไม่ต้องเป็นทุกเนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานเลยแต่ก่อนเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้ตัวพอร่างกายปวดใจมันก็ปวดเห็นไหมปวดทั้งกายปวดทั้งใจมันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ทุกหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์ แต่ถ้าเราละลึกรู้ว่าอ๋อนี่กลายเป็นทุกข์เห็นกลายเป็นทุกข์แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์จิตมันก็หลุดออกมาขณะหนึ่งถ้าเราตามดูตามเห็นบ่อยๆเนี่ยกายเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเป็นเพียงแค่สิ่งที่อาศัยละลึกรู้ตัวนั้นร่างกายเนี่ยถ้าดูไป น, นานๆนะมันไม่มีความสุขหรอกไหนร่างกายใครเป็นสุขสุขทุกข์เนี่ยกายบอกไม่ได้แต่ ผู้รู้เนี่ยเขาบอกไนดะ้กายคือเครื่องอาศัยใช่ไหมแยกจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งกายที่ปวดที่เมื่อยที่ทุกข์ส่วนหนึ่งคนละอันกันดูดีๆนะของสองอย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพอกายหิวใจก็โมโหกายเมื่อยใจก็เป็นทุกข์เวลามีความป่วยไข้ทางร่างกายเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เวลากายแก่ใจก็แก่ เวลากายตา ย, ตายใจก็ตายไปด้วยเนี่ยรวมไปหนึ่งเดียวนเยวนี่ยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะแยกแยกกันถ้าเมื่อยแล้วทำอย่างไรมีโรคภัยกระเจ็บจะยังไงก็แก้ไขทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขรู้แล้วต้องแก้ไขบางอย่างแก้ไขไม่ได้ก็มีนะอย่างความแก่นี่แก้ไขได้ไหมพยายามแก้ไขนี่มันก็ชั่วคลาวเดี๋ยวก็แสดงความแก่เห็นใช่ ความเมื่อยล้าอ่อนแรงตีนเหี่ยวตีนกาเนีตีนตะขาเต็มหน้าเต็มตามันแก้ไขไม่ได้หรอกมันเป็นแค่ปกปิดอันนี้เรารู่ว่าอกเป็นธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแล้วแต่ความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายโรคภัยแค่เจ็บเราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อันเนี้ยเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้กายคือผู้ป่วยจิตใจคือผู้ดูแล สติปัญญาเป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลคอยให้กำลังใจคอยตัดสินปัญหาคอยจ่ายยาไม่มีตัวเรานะมีแต่กายคือผู้ป่วยใจคือผู้ดูแลสติปัญญาเป็นเพียงนายแพทย์เป็นพยาบาลให้ความรู้ใหความเข้าใจเรามันแยกกันนะแล้วชีวิตเราเนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องคอยแก้ไขให้ร่างกายเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวมันทายเดี๋ยวมันนอนเลยนะต้องคอยดูแลมันอยู่เรื่อยไป จิตใจคือผู้ดูแลแต่ใจจะต้องมีสติปัญญาด้วยถ้าขาดสติปัญญาเนี่ยมันดูแลไปทางที่ไม่ดีนะพาไปฆ่าตัวตายบ้างพาไปดื่มสุราพาไปให้ร่างกายมันเครียดนอนดึกจิตต้องมีสติปัญญาคอยช่วยดูแลอันนี้มันเป็นชีวิตของเราจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายที่มีทุกรุลแรงเช่นความเจ็บปวดใครเคยเป็นไหมความเจ็บปวดนะ่ะ เป็นเสมอเท่าเทียมกันความเจ็บปวดนี่จะเอาชนะได้อย่างไรไม่มีใครจะเอาชนะความเจ็บปวดได้ได้ดีกับความอดทนอดทนดีกว่าอดครวนทุกทางกายเนี่ยจะไม่รุนแรงมากนะแต่ถ้าไม่อดทนไปอดครวนแล้วก็มันมีการเพิ่มทุกข์ให้กับร่างกายเราเพราะจิตใจเป็นทุกข์แล้วถ้าอดทนเนี่ยใจเนี่ยจะมีคุณธรรมอดทนเข้มแข็ง ทุกทางกายก็จะไม่รุนแรงเพราะมีความอดทนแต่ถ้าโอดครวนบนเพอลิ่มันทุกหนักกริดเพิ่มทุกเพิ่มโทษทุกทางกายทุกทางใจต้องรู้จักอดทนใครเคยอดทนบ้างอดทนนี่ดีนะเนี่ยสองคำเนี่ยสบายเลยสร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่อดทนเอาไว้แล้วอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเป็นบทเรียนของชีวิตเลยถ้าผ่านทุกขเวทนาทางกายได้ เราจะทนได้อีกหลายอย่างและประโยชน์คือได้กับตัวเราความอดทนบางทีเราก็ต้องย้ายจุดนะเช่นมันปวดมากมันทรมานมากย้ายจุดย้ายจิตไปรู้อย่างอื่นก็บ้างถ้าเราอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วย้ายจิตไปอย่างผมเคยมีประสบการณ์สมัยก่อนนี่ไม่เคยสนใจธรรมะตอนที่พิการใหม่ๆโอ้ทุกขเวทนารุนแรงมาก มีท้งอาการชาทั้งตัวเนี่ยเนี่ยผมชาทั้งตัวเลยนะยกเว้นศีรษะมือนี่ก็ชานิ้วมือเนี่ยก็จะชาเหมือ น, นคนเป็นเน็ตมีความสุขไหมคนเป็นเน็ตสมัยก่อนเราเคยเอาหนังสติกรัดตีเท้ามรัดทำไมมันชาดีมันชาแล้วมันรําคาญมากอาการของกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อหายใจลําบากวันนี้ก็เป็นอยู่นะทุกเวทาีทางกายมีอยู่เรื่อยๆ อันนี้เป็นเพื่อนดีแสนดีซื่อสัตว์ต่อเราอยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆผมใช้วิธีแบบไหนไหมแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะเลยไม่รู้จะคิดยังไงไม่เป็นธรรมะผมก็นึกเวลามันปวดมันช้ามากๆนึกไปถึงสิ่งที่เราชอบเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องเที่ยวที่นู้นที่นี้นึกส่งจิตออกไปในความคิดของเรา บางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต่ต้องเพลงดีๆนะอย่าเป็นนึกเพลงเ่ทำไมถึงต้องเป็นเราบังคระทุกไปจนตายนะลองกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเหม็นจะเป็นไรเนะี่ยบางทีก็อย่างนี้ต้องลาออกโอาให้สะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่กุศลหรอก แต่ต่อมาเนี่ยเริ่มสนใจธรรมะเวลามันเกิดทุกขเวทนาใหม่ๆทํากรรมาฐานยังไม่เป็นจเจริญสติไม่เป็นก็คิดไปทางที่เป็นกุศลคิดว่าอ๋อชีวิตเรานี่มันไม่เที่ยงออมันไม่เที่ยงออมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นทุกเป็นตายรักไปเลยคิดเอาก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเหมือนกันต่อมาก็ใช้วิธีการสวดมนต์ เวลามันทุกข์มากๆกส็สวดมนต์เลยนึกคำสวดมนต์อิติปิโสปะกวา阿拉าหั่งสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณยสัมปันโนสวดมนต์ไปนั่นะสวดแบบนกแก้วนกคุณทองมันก็พากิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานาก็บริกรรมพุโทโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโธพุทโทเรื่อย ทรงจิตสนใจไปในอารมณ์พุโทโธพุโทโธเป็นคําบริกรรมมันก็สามารถดึงจิตดึงใจออกจากทุกเวทนาทางกายได้เหมือนกันช่วงเวลาที่เราบริกรรมอยู่อันนี้เป็นวิธีการทํากรรมฐานส่วนหนึ่งแต่ก็ได้เพียงชั่วคราวได้เพียงชั่วคราวเป็นการตั้งหลักจิตใจต่อมาเนี่ยใช้วิธีการเจริญสติทําความรู้สึกตัวยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมีสติ รู้กายไปเรื่อยๆตามรู้กายเรื่อยๆเราก็จะเห็นทุกข์ของกายทีนี้เห็นทุกข์ของกายเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์แล้วเป็นผู้เห็นร่างกายมันเกิดทุกขเวทนามีสติรู้เนี่ยแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งสำคัญนะทำไมเราจึงมีความทุกข์มากเพราะจิตมันปรุงแต่งใช่ไหม ปรุงแต่งเพราะขาดสติถ้ามีสติอยู่เนี่ยการปรุงแต่งเกิดไม่ได้สังเกตไหมเวลาที่เรามีร่างกายเป็นทุกข์มากเนี่ยไอ้ทุกข์ทางกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกข์ทางจิตที่มันปรุงแต่งโอ้มันเวรกรรมอะไรของเราเนาะเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยถ้าเราไม่หายจะทําอย่างไรกังวลสิ่งนู้นกังวลสิ่งนี้ทําไมถึงต้องเป็นเราคนอื่นไม่เป็นอย่างเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันทำให้จิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งมากแล้วทุกข์มากยิ่งขึ้นไม่มีใครช่วยใครได้เศร้าหมองเนี่ยเพราะจิตมันปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่รู้เฉยๆแบบไม่ต้องไปบังคับอะไรไม่ต่อต้านในความทุกข์ไม่ต่อต้านนะที่เราต่อต้า น, นจิตจะเครียดยอมรับยอมรับอ๋อเนี่เป็นธรรมดาเนี่ยการยอมรับกับทุกทางกายเนี่ยจิตมันจะเริ่มผ่อนคลายแล้วมันไม่ยังกับ เราดูคนอื่นที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทําไปนานๆ น, นี่มันแยกเลยนะเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้ดูเราแค่เป็นผู้ดูเฉยๆมันแยกเนี่ยอย่างงี้แหละมันออกจากความทุกข์ความเจ็บปวดได้ร้อยเเซแยกจิตแยกกายออกไปเนี่ยถ้าฝึกมากๆเลยมีผลมากเลยเพราะฉะนั้นหากว่าเวทนาความเจ็บปวดจะมากขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเรารักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งมากเลยความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เราทนได้เราจะทนได้ไอ้ทนไม่ได้เพราะเราไปปรุงแต่งต่อเตอิมมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยสตินี้ช่วยได้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะรู้จิตทนได้ในอาการเหล่านี้และถ้าเรามีสติ คอยช่วยรักษามีปัญญาด้วยคอยปล่อยวางปล่อยวางบ่อยๆเนี่ยทุกทางกายจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีผลด้านจิตใจเนี่ยเรื่องของกายแต่ว่ามันทําความสบายที่จิตใจเราได้จิตก็จะเป็นอิสระถ้าจิตอิสระใหม่แล้วก็สุขภาพจิต ด, ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสดชื่นเพราะสุขภาพจิต ด, ดีและมองอะไรอะไรก็ดีนะมองอะไรก็ดีจะคิดก็ดี เริ่มจากการเจริญสติเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยแล้วที่มันก็คือการพูดจาพูดคุยกับคนรอบข้างก็พลอยดีไปหมดเพราะว่าเนี่ยในโลกนี้เราไม่อยู่คนเดียวหรอกเราอยู่กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลเราอยู่เห็นไหมเราจะไม่งงงิกับเขาเลยจะอยู่กับเขาโดยที่เป็นปกติช่วยได้มากเกิดคุณธรรมหลายอย่างจะเข้าใจตัวเราและเข้าใจคนอื่น ที่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเข้าใจความคิดของเรารู้ทันในความคิดเวลาจิตมันคิดก็ให้รู้ทันมันเนี่ยสติธรรมะที่รู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มีใครเป็นผู้ดูแลบ้างผู้ดูแลเนี่ยแตว่าเป็นผู้ที่ทำบุญนะเนี่เป็นผู้ที่มาทำบุญช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนไข้บางทีเขาอาจจะเป็นทุกข์ทร่างกาย แต่จิตใจเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้นะเขาสามารถจะมีความสุขได้ทางด้านจิตใจและเขาก็ไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายหรอกบางทีใจเนี่ยเขาป่วยมากลักษณะของผู้ป่วยเนี่ยจิตใจเนี่ยจะสังเกต ด, ดูที่ว่าจะมีอาการอะไรน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าหมองหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ขี้โมโหแล้วก็บางทีชอบร้องไห้แอบไปร้องไห้ บางทีชอบประชดประจันตัวเองไม่กินยาไม่กินข้าวทำหน้าปึงเ <c oughs> นี่ยมีอาการแบบเนี้ยหรือบางทีอยากตายหรือเอาลอดไปเลยอันเนี้ยเป็นอาการของคนไข้จะไม่สดชื่นในั้านจิตใจผู้ ด, ดูแลก็ต้องเข้าใจเข้าใจคุยกับเขาตามปกติให้ความสําคัญคือให้ความหวังให้กําลังใจให้ความสุข ด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาพูดจาไพเราะอ่อนหวานเลบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเขาให้คุยกับคนอย่าคุยกับโรคคุยกับคนนะอย่าคุยกับโรคปล่อยให้คุณหมอคุยกับโรคคุยกับเขาเหมือนเขาไม่เป็นอะไรตามปกติหาเรื่องสนุกๆขบขันมาเล่าให้ฟังอย่าคุยเรื่องร้ายๆคุยเรื่องดีๆสุขภาพปิดจะได้ดีด้วยอย่าไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงอาการดีไหมโอ้น่าเบื่อคขนาด วันนี้อาการดีไหมบางทีมันไม่ดีอม่ได้บอยอยังไงบางทีดีก็ขี้เกียจพูดไม่ต้องไปถามสังเกตดูนะพูดเวลาสังเกตดูเขาถ้าเขายินยันแจ่มใสแต่ว่าอาการดีถ้ายังเศร้าหมองอยู่แล้วอาการไม่ดีเราก็รู้อยู่อย่าไปถามมานดีเขาจะาราคาญใช่ไคุยกับคนตามปกติอย่าคิดว่าเขาป่วยเขาเป็นอะไรธรรมดาใช่ไหมจะได้เสมอเสมอกันบางที คนไข้าอาจจะแสดงอาการที่ทุรนทุรายเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบางทีอาจจะใช้คาพูดที่ไม่ดีอาจจะแสดงอาการไม่ดีต้องเข้าใจคนไข้อ๋อเนี่เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นทุกข์ของเขาเราคือผู้ดูแลเนี่ยไม่ต้องทุกข์ด้วยอย่าไปติดโรคความทุกข์จากเขามาสู่ตัวเราแล้วก็ทำหน้าที่ไปหน้าที่เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเรา แต่ไม่ใช่เรื่องเราที่ต้องไปทุกข์ด้วยต้องจักแบ่งแยกการทำหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นทุกข์ด้วยห็นไ่มต้องรู้จักแบ่งแยกเพราะท่านผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติทําด้วยนะต้องเจริญสติด้วยรักษาจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ถือโอกาสเรียนรู้คนไข้ไปเลยเรียนรู้คนไข้ในคนไข้นี่าเรียกเป็นแหล่งวิชานะให้เราเรียนรู้ได้ให้เราเรียนรู้ เรียนรู้ความทุกข์จากคนไข้เตรียมตัวเราไว้เพราะว่าบางทีเวลาเราป่วยไข้เนี่ยเราจะทําอย่างไรทําใจอย่างไรเตรียมตัวเอาไว้จะทำอย่างไรเวลาเราป่วยไขย้นั้นเราถือว่าเราทําบุญช่วยเหลือเขาเราก็ได้บุญถ้าเราทําบุญแล้วเนี่ยใจไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกเราทําความดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ดังนั้เราต้องมีสติคอยรักษาจิตใจเราเวลาใจมันโกรธก็รู้มันโกรธ ใจมันเบื่อกรู้วันเบือ่อให้รู้เท่าทันใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยผู้ป่วยก็ต้องทําหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ของผู้ป่วยคืออะไรก็คือความอดทนอดทนแล้วก็สงบสงเงียมช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เจริญสติเสมอๆเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลก็ต้องแบบเดียวกันต้องมีความอดทนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราเมตตากรุณา เรกันนถ้าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่เนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเสมอกันก็คือถ้าเรามีความรู้สึกตัวขณะใช้ชีวิตเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็จะมีหนึ่งเดียวกันใจจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ความรู้สึกตัวปัญหาใจเราก็ไม่เกิดขึ้นและปัญหาคนรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะเป็นคนไข้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นใครก็ตามไม่สําคัญหรอก สำคัญที่ว่าการวางจิตวางใจสำคัญที่ใจนะใจสำคัญกว่าถ้าเราทำจิตทนใจแบบโอ้เบื่อหน่ายเซ็งชีวิตนี้มีแต่ความเศร้าหมองโทษเวน้นโทษกรรมมันทาไมเป็นกรรมของเราเนาะโทษคนนน้นโทษคน น, นี้มีความโกรธความเครียดมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดไปแต่ ถ้าเราทําหน้าที่หรือใช้ชีวิตแบบยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสติมีสติเนี่ยจิตใจก็จะดีขึ้นเรื่อยเื่มันจะเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและเข้าใจคนอื่นด้วยเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ความทุกข์มันก็จะคลายลงไปจิตใจก็อยู่เหนือปัญหาเราอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่วางจิตวางใจที่ยอมรับและแก้ไข การปฏิบัติธรรมนี่แเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นยาที่ถูกกับโรคของความทุกข์ผมเองเนี่เมื่อไม่สนใจกับธรรมะผมก็เป็นทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยมันกดดันทําให้ผมต้องเกิดศรัทธาต้องปฏิบัติธรรมหลังจากที่พยายามแก้ปัญหาทางร่างกายมากพิการตนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็พยายามแก้ปัญหา ไปหาหมอรักษามาหลายแห่งโรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้จนทั้งเราต้องช่วยเหลือตัวเองแช่วยร่างกายไม่ได้ช่วยจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นยารักษาใจก็อยู่ที่การเจริญสติเนี่ ย, ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มือเท่านั้น อยู่ว่างๆแทนที่จะปล่อยจิตไว้ให้มันฟุ้งซ่านเพิ่มทุกข์เพิ่มตัวเกับจิตใจเราก็มานอนเจรติตสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำก็อยู่ว่างๆนะจะปฏิบัติ ท, ทําไม่ต้องมาที่วัดนอนอยู่บนเตียงนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือความรู้สึกคือเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัว เมื่อมีสติแล้วเนี่ยจิตมันไม่ฟุง้งซ่านมันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองเลยรู้สึกตัวเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเวลาใจมันคิดก็รู้สึกให้มีสติตามรู้อย่างเงี้ยมันหลงมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เนี่ยมันเป็นการทําบุญได้ทุกวันเลยพลิกมือรู้สึกความมือรู้สึกเดี๋ยวใจมันก็ไปละคิดละ คิดอ๋อเนี่ยมันคิดเนี่ยไหมฮะทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกใหม่เห็นไหกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตัวเราบ่อยบเนี่ยทำอย่างเงี้ยทาเรื่อยเื่ยเนี่ยยิ่งนานบานเข้าเนี่ยสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมากเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันลดลงเลยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงเจริญสติในแต่ละวันเนี่ยทุกข์มันก็ลดลงได้อยู่อย่างน้อยอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ไม่เครียดมันไม่ต้องเสียดายอดีต หรือกังวลถึงอนาคตว่าเราจะอยู่อย่างไรเพราะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปัญหาไม่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มแก้ปัญหาใจเรานะแล้วยิ่งทำไปทำไปเนี่ยมันเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องของกายโ้นี่กายนีย่มันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเองเห็นหมมันลาออกจากความพิการเลยความพิการทางกายความแก่ทางกายโรคไปใคร่เป็นต่างลาออกเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกาย แยกมันออกซะปัญหาเรื่องของจิตเรื่องของความคิดเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจซ่อมมองมันก็เรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องของเราอีกอเป็นเพียงแค่อาการของจิตของใจมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็ไม่ต้องยึดถือมันจิตก็เป็นอิสระอยู่ด้วยการศึกษาชีวิตอาศัยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นวิชาให้เราศึกษาศึกษาความทุกข์จากตัวเราเนี่ยมันเป็นการศึกษาของจริงนะ ในตำราไม่มีบอกนะแต่ตัวเรานี่เขาบอกกายกับจิตนี่เขาบอกความจริงเอากายกับจิตเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาก็เลยมองเห็นอ๋อความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความป่วยไข้าทางกายไม่ใช่ปัญหาปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไขได้ใช่ไหมปัญหาต้องมีการแก้ไขแต่ความพิการนี่มันแก้ไขไม่ได้แต่งว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของเขา เลยไม่ต้องแก้ไขอะไรพอเข้าใจตรงนี้นะใจเราก็ดีขึ้นใช่หไหมเมื่อใจเราดีเนี่ยมองอะไรแล้วก็ดีหมดเลยความคิดออกมาก็คิดมองโลกในแงนด่ดีมองโลกในแง่ของความเป็นจริงแทนที่จะเป็นทุกข์หรือผลักดันความทุกข์ในกายแต่กลับเอาทุกข์มาเรียนรู้ซะมันก็ได้ปัญญาได้ความรู้นะ <c oughs> ก็เลยโชคดีไปเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยจะได้ของจริง แต่การรู้นี่อย่ารู้แบบเข้าไปอยู่หรือไปบังคับไปผักไสรู้ตามที่เขาแสดงออกต่อไปเราก็จะเบื่อมันจะไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์และเข้าใจตัวเองเลยนะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแลวเข้าใจคนอื่นโดยเพราะผู้ดูแลผู้ใกล้ตัวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ยิ้มไม่ได้ล่กเศร้าหมองมากทุกเพราะร่างกายเนี่ยแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วโอ้หน้าตามันสดชื่นมันยิ้มได้ พอเรายิ้มได้คนเดียวนี่คนใกล้ตัวนี่พลอยมีความสุขคุณแม่ผมนี่สมัยก่อนถือว่าเป็นผู้ดูแลชั้นหนึ่งเลยเราเห็นท่านเนี่ยเราสงสารท่านเขาเอายามให้เราทานเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเอาอาหารให้เราทานช่วยเราทุกอย่างจนเราทานข้าวทานยาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมานี่เห็นคุณแม่ยังกวาดเช็ดถูโอ้น่าสงสารท่าน ทำไมท่านต้องมาลำบากพวกเราอย่างนี้อยากจะช่วยท่านแต่ด้วยช่วยอย่างไรก็นึกคิดไได้อ๋อถ้าเราพยายามช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆเท่ากับเป็นการช่วยเหลือท่านด้วยโอ้อะไรมาช่วยตัวเองมากๆตอนนี้กระตือรือร้อนที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากๆเกิดความขยันเกิดความอดทนที่จะกระตือร้ออนที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นการแบ่งเบาภาระกับคนอื่นด้วยเนี่ยมันเข้าใจคนอื่นแล้วคุณแม่นี่ก็ เวลาเข้ามาหาผมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าจะมีคําพูดที่เป็นการปลอบใจให้กําลังใจคำคำหนึ่งท่านพูดเสมอๆว่าอ๋อลูกเอ้ยเมื่อเป็นได้มันก็หายได้เจอหน้าก่อนเวลาท่านไม่จะพูดอะไรถ้าก็อาศัยมุกเก่าอะมันเป็นได้ก็หายได้โอ้จริงเราก็เบื่อนะโอแต่เราเข้าใจท่านโหนี่หวังดีเดจตนานดีที่ก็เบื่อคําพูด้ําๆมันไม่เห็นหายละทีหนึง่งเห็นพูดมาหลายปี แต่เราก็เข้าใจคําพูดปลอบใจให้กําลังใจเนี่ยทําให้เรามีกําลังใจเหมือนกันบางทีเราก็หงดหยินน่าสมัยก่อนยังไม่ปฏิบททัติธรรมท่านเดินเข้ามาเนี่ยพอดีคนพิการเนี่ยขาเนี่ ย, เ, ยเราจัดเองไม่ค่อยได้เราต้องมีคนอื่นมาจัดให้ขาของเรานะแต่คนอื่นต้องมาจัดให้บางทีนอ น, น, นอออเนี่ยขามันกางออกอีกขานึ่งจะตกเตียงอยู่แล้วคุณแม่เดินมาอ้าวจ่ อ, อกไปไหนเลยนเนี่ยเนี่ยเตียงจะหนีเที่ยวสิเนี่ย เราก็ขำมันนะแต่หนีเที่ยวใช่ไหมวะดิ๊ยอย่าเพิ่งเพิ่งแกก็จับขามาวางกับที่พอดิขาคนที่พีการเงี่ยมันจะสั่นพอจับปั๊บมันสั่นแหว่าอกดิ๊อย่าเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวไปหารองเท้ามาให้ใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเราเดินไม่ได้เนี่ยขามันสั่นนะบ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะไปหารองเท้ามาก่อนมาให้ใส่นท่านพูดขำๆตลกเราก็พอยที่จะสนุกสนานไปด้วย ต่อมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่หารองเท้ามานะเดี๋ยวเอากางเกงมาด้วยเสื้อด้วยสตางค์อีกจะได้ไปเที่ยวพร้อยสนทนานไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศจากความเครียดเป็นความสุขพอเริ่มเข้าใจปฏิบัติทมแล้วเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นและเข้าใจคนอื่นกระตือรือร้อนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเรียนรู้ความทุกข์และเข้าใจนะใจมันก็มีความสุขเพราะารู้ทันแต่แล้วเห็นไหมอันเนี้เป็นส่วนที่ดีนะ เพราะฉะนั้นพลังชีวิตกําลังจิตกําลังใจนั้นไม่มีอะไรเกินพลังธรรมะหรอกพลังธรรมะสร้างพลังชีวิตเหมือนอย่างกับว่าเราเนี่ได้เติมส่วนที่มันขาดให้มันเต็มสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้กําไรชีวิตทุกวันเนี่ยใช้กําไรชีวิตนะอยู่ได้กำไรชีวิตก็เลยนำกําไรเนี่ยมาแบ่พวกเราเอากําไรชุดแบ่พวกเราเนี่ยให้เราเกิดการเรียนรู้ว่า ก็จะมาชวนพวกเรานี่มาทําประกันชีวิตด้วยธรรมะสนใจไหมประกันชีวิตด้วยธรรมะนี่ยิ่งใหญ่นะเราอาจจะทําประกันมามากมายทําไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นประกันแค่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่แต่ประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยมันประกันถึงพบหน้าชาติหน้านะอยู่ก็มีความสุขตายก็ไม่ตกกบายภูมิไม่ตกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ปประตูายภูมิเลยถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยเงื่อนไขก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยสามอย่างเนี่ยไม่ต้องส่งเบี้ยรประกันทานศีลภาวนาเนี่ยประกันข้ามภพข้ามชาติเลยประกันชีวิตในโลกนี้นี่บริษัทใดก็ตามประกันแค่เราตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประกันแล้วจะมีความสุขด้วยแต่ประกันชีวิตด้ธรรมะเนี่ย อยู่ก็มีความสุขตายก็มีความหวังแล้วก็พ้นทุกข์ได้ในที่สุดเลยทําประกันชีวิตกับบริษัทพุทธบริษัทมาชวนพวกเราทําดูแม้เราจะมีความแก่ความเจ็บความตายความลัดปรากเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเสีย ใ, ใจอย่าไปเศร้าใจเรายังมีความหวังอยู่พผู้จ้าตรัสเลยว่าถ้าใครครบหาพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตร คนที่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลากเป็นไปนตามกรรมเป็นธรรมดาหรือเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยสามารถพ้นจากอาการเหล่านี้ได้ถ้าคบกับท่านเป็นกัลยาณมิตรและก็นําธรรมะมาปฏิบัติเรายังมีทางออกอยู่เพราะฉะนั้นทางออกให้เลือกเนี่ยเรายังสามารถเลือกได้ก็ลองปฏิบัติธรทำดูลองปฏิบัติธรำเจริญสตินี่แหละหาทานมามากแล้วเราลองจเจริญสติดูบ้างสิ ทำความรู้สึกตัวใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเนี่ยมีความรู้มากขึ้นความหลงลืมตัวหรือความทุกข์ก็จะค่อยคลายลงไปเป็นทุกข์เพราะเราลืมตัวถ้ามีสติเราจะมีความสุขสนใจหมเนี่ยอันนี้ทำหน้าที่เหมือนเซลล์นะเหมือนขายตรงนะนำธรรมะมาเสนอแต่ไม่ได้ขายนะเพื่อเราไปพิจารณาและลองปฏิบัติดูนะได้ผลมาหลายคนแล้ว